คุ้มที่หนึ่งนะประมาณโยอดหนึง่งโอ้โหโยอดหนึ่งมันคันทัดไหนเนี่ยคุณโยมสิบหกิโลเมตรนะคุ้มหนึ่งได้ประมาณสามคาวุธว่าประมาณสักเท่าไหร่อ่ะแปดกิโลเมตรได้มั้งคุ้มหนึ่งได้ประมาณอ่อนสามคาวุธนี่ก็สิบสองสิบสองกิโลกิโลเมตรคุ้มหนึ่งได้มีประมาณกึ่งโยอดก็แปดกิโลเมตรคุ้มหนึ่งได้มีประมาณคาวุธหนึ่งคาวุธหนึ่งนี่หมายความว่ายังไงเนี่ย ก็หมายความว่าประมาณแห่งปากขุมทรัพย์ลงไปถึงเบื้องล่างเนี่ยก็เกิดขึ้นเต็มแปรเต็มเปี่ยมเต็มเปี่ยมในในที่ลึกลงไปในพื้นดินนั่นเป็นอย่างนั้นแล้วก็มีซุ้มประตูทั้งเจดบริเวณกำแพงก็มีประตูมีซุ้มประตูอีก กำแพงเจ็ดชั้นมียักษ์ยักษ์เจ็ดตนยักษ์นี้ก็เป็นเทวดาชั้นจตุมเนี่ยรักษาประตูซุม้มในซุ้มประตูที่หนึ่งยักษ์ชื่อยักมะโมลีหรือยมโมลี oli, พร้อมด้วยยักษ์อีกหนึ่งพันที่เป็นบริวารของตนแต่รักษาไว้ประตูที่ 2, สองซุ้มประตูที่สองยักษ์ชื่ออุปละพร้อมด้วยบริวารสองพัน 2, รักษาไว้ ประตูที่สามยักษ์ชื่อวชิระพร้อมด้วยบริวาร3 0 0พันรักษาไว้ประตูที่สี่ยักษ์ชื่อวชิระพาหุพร้อมด้วยยักษ์ที่เป็นบริวารของตน4ี่พันรักษาไว้นี่นะเป็นเหตุที่เราสร้างยักษ์ไว้รักษาประตูวัดเห็นไหประตูวัดพระแก้ววัดโพวัดฮาลุนเนียมียักษ์เฝ้าแต่ว่ายักษ์นี่สร้างด้วยปูนนะไม่สามารถจะเฝ้าได้หรอกแต่นี่ยักษ์นี่จริง ซุ้มประตูที่หยักษ์ชื่อสกัตะพร้อมด้วยยักษ์บริวารห้าพัน 5, รักษาไว้ประตูที่6คือมันใกล้เข้ามาเรื่อยประตูใกล้เข้ามาเรื่อยยักษ์ชื่อสกัตัฏถะพร้อมด้วยบริวารหกพัน 6, รักษาไว้ประตูที่7ดยักษ์ชื่อทิสามุขะพร้อมด้วยยักษ์บริวารเ0็ดยึดการรักษาไว้แล้วทั้งภายในและภายนอกแห่งปราศาสตรได้มีการรักษาอย่างมั่นคงแล้วด้วยอาการอย่างนี้คือมันมีของมีค่าเยอะ ก็ต้องมียักมาคอยรักษาเอาไว้นี้ด้วยอำนาจอบุญที่เขาได้ถวายข้ากันทกักดีแล้วก็แก้มัณีต่างๆพระราชาทรงพระนามว่าพิมพิสารอยู่ในกรุงราชาเกือพระเจ้าพิมพิสารเป็นผู้ปกครองอยู่ได้ข่าวว่า ปราสาทเจ็ดชั้นที่ทําด้วยแก้วเจ็ดประการผุดขึ้นแล้วเพื่อโชติกะกําแพงเจ็ดชั้นซุ้มประตูเจ็ดซุ้มขุมทรัพย์สี่ขุมก็ผุดขึ้นแล้วเพื่อโชติกะเหมือนกันก็เลยส่งฉัดทรงฉัดตําแหน่งเศรษฐีไปให้เขาได้เป็นผู้ชื่อว่าโชติกะเศรษฐีส่วนหญิงผู้จะเป็นภรรยานั้นเป็นหญิงผู้มีบุญกรรมทําไว้แล้วกับโชติกะเศรษฐีนั้นเกิดแล้วในอุตรกุรุทวีป ทวีปทวีปทางเหนือเป็นเทวดาเป็นมนุษย์นะเป็นมนุษย์แต่ว่ามนุษย์ที่มีบุญมากกว่ามนุษย์ในชมพูทวีปเนี่ยเป็นกรณีพิเศษเลยคือมนุษย์ทั้งหลายในสตรีทั้งหลายในโชพูทวีปเนี่ยไม่มีบุญร่วมกับโชติกะมาใช้สมบัติร่วมกันไม่ได้ครั้งนั้นเทพพยายดานํานางผู้นี้มาจากอุตรากุลทวีปนั้นให้นั่งในห้องอันเป็นสิริอยู่ตรงไหนไม่รู้นะอุตรากุลทวีป ใครเที่ยวก็มาบอกด้วยบ้างยิ่งนั้นเมื่อมาถึงแล้วถือเอาธนานเข้าสารธนานหนึ่งและแผ่นศีลาอันมีเปลวไฟลุกโพรงสามแผ่นมาเรียกว่าเตาไฟฟ้ามาด้วยแล้วข้าวมาธนานเดียวอาหารของคนทั้งสองนั้นได้มีแล้วด้วยธนานเข้าสารนั่นตลอดชีวิตเลยได้ฟังมาว่าถ้าชนเหล่านั้น คือคนทั้งสองเนี่ยคือโชติกะและก็ภรรยาเป็นผู้มีความประสงค์จะทำให้เกวียนตั้งร้อยเล่มเต็มไปด้วยข้าวสารมันก็ยังคงปรากฏเป็นธนานอันเต็มด้วยข้าวสารอยู่อย่างนั้นนั่นเองคือหมายความว่า ไ, ไอ้ธนานเนี่ยเป็นธนานวิเศษมีข้าวสารเต็มอยู่ตลอดธนานเดียวเนี่ยไม่เคยไม่เคยหมดจึงไปให้ใส่ร้อยเกวียนเนี่ยมันก็ยังเต็มอยู่ ไม่หมดสักทนนีผลไหลออกของบุญเรียกวา่าอนิสงส์อ น, นิสงส์ว่าผลไหลออกของบุญเนี่ยมีประมาณไม่ได้ในเวลาหุงอาหารพวกเขาใส่ข้าวสารในหม้อแล้ววางไว้เบื้องบนแผ่นศิลาเหล่านั้นแผ่นศิลาก็ลุกโรลงขึ้นเองเมื่ออาหารสุกแล้วก็ดับไปเองพวกเขารู้ที่อาหารสุกด้วยไฟดับนั่นแหละแม้ในเวลาแกง ของควรแกงเป็นต้นก็เหมือนกันเอาแกงเขาใส่วางไปบนไอ้แผ่นซิลาเนี่ยใส่หม้อแล้วก็วางไว้ขาวทั้งสองย่อมหุงต้มอาหารด้วยแผ่นซิลาอันลุกโพร่งด้วยอาการอย่างนี้ชนเหล่านั้นอยู่ด้วยแสงสว่างแห่งแก้วมนันีไม่รู้แสงสว่างของไฟหรือของดวงประทีบเลยคือไม่ต้องจุดไฟนะเพราะแก้วสว่างอยู่ตลอด ได้ยินว่าสมบัติของโชติกะเศรษฐีอย่างนี้ได้ปรากฏคือได้มีชื่อเสียงไปทั่วชมพูทวีปทั้งสิ้นแล้วมหาชนต่างก็เทียมยานพาฮนะเทียมเกวียนเที่ยวมาดูสมบัติของโชติกะเศรษฐีแต่พระนครราชครึ่อาตมาก็ไปมาแล้วไม่เห็นเลยนะอุา่าไปนะั้นอยากจะดูว่าเขาบ้างเนี่ยหมดไปได้แล้วนะ ไม่เที่ยงไม่ยังยืนนะมีอะไรเท่าไหร่มันก็ต้องเสียเท่านั้นนั่นแหละนะแต่สมัยนี้ก็เขามีอย่างอื่นมาแทนเนะ่ยที่เมืองอินเดียเขาเามีเศรษฐีคนหนึ่งเขาสร้างอะไรเอาเอาอะไรเดี๋ยวมันเขาสร้างเป็นเทวไลอะเทวไลที่จะบูชาเทพเจ้าแต่เขาเอาหินอ่อนแล้วก็แล้วก็ หินที่มันสวยๆนะมีราคามากม า, มาแกะสลักราคาตั้งโอ้หลายร้อยล้านนะยังสร้างไม่เสร็จเลยคนไปดูกันเยอะเก็บตังค์ด้วยอาตมาก็ได้ไปมาแล้วนะดูแล้วก็ไม่เห็นเกิดความตื่นเ ต, นต้นอะไรเลยบอกไม่ตื่นเต้นนะนะโชคที่กะเศรษฐีสั่งให้หุงอาหารด้วยข้าวสารที่นำมาจากอุตรกุรุธวีปแล้วได้ให้แก่คนที่มาดูสมบัติของเขา แล้วก็สั่งว่าพวกท่านไปถือเอาผ้าถือเอาเครื่องประดับจากต้นการบการบพฤกษ์ทั้งหลายต้องบอกแนละ้วต้องบอกว่าให้ไปเอานะถ้าไม่บอกเอาไม่ได้นะแล้วให้เปิดปากขุมทรัพย์ขุมเล็กขุมเล็กประมาณหนึ่งคาบุธนะ1นคาบุษเดียวกิโลลึกลงไป4ี่กิโลแล้วสั่งว่าชนทั้งหลายจงถือเอาทรัพย์พอยังอัตภาพให้เป็นไปได้เออเสรษฐถีอย่างนี้ที่น่าเป็นนะคือสงสารคน คนเขาอุตส่าห์มาหาเราแล้วเนี่ยจใจเขาลำบากไม่สมควรควรเขาจะได้เอาของมีค่าติดมือติดไม้กลับไปเมื่อชนทั้งหลายผู้อยู่ในจุภูตวีบทั้งสิ้นมาเอาทรัพย์ไปปากแห่งขุมทรัพบไม่ได้บกพร่องไปแม้เพียงองค์คูรีเดียวเออมันก็น่าให้อีกนะคือมันให้แล้วมันก็ยังเต็มเหมือนเดิมไม่ได้หมดไปแม่องค์คูรีเดียวข้าสารก็กินฟรีกินแล้วก็ไปหมด ้าก็เดาไปฟรีขอต่างๆอยากได้อะไรก็เครื่องประดับอะไรก็ไปเอานะขุมทรัพย์อีกไปเอาอีกได้ยินว่านั่นเป็นผลแห่งรัตนะที่เขาโปรยลงทำให้เป็นทรายในบริเวณพระคันธกุฎีคือเอารัตนะทั้งหลายมาย่อยให้ละเอียดแล้วทำเป็นทรายเทลงไปนะแมนน่าจะมีเศรษฐีอย่างนี้เกิดขึ้นบ้างแสดงว่าสมัยนี้ไม่ค่อยมีใครมีบุญมาเกิดเท่าไหร่นะ หรือถึงมีบุญนึงก็ไม่ค่อยได้ให้ทรัพย์เผื่อแผ่แกแกประชาชนได้เหมือนกับโชติกะเศรษฐีเลยเพราะว่าคนทั้งยมภูตวิีมาเท่าไหร่ก็ไม่หมดมีเท่าไหร่มีคนเท่าไหร่กี่ร้อยล้านก็ไม่เป็นไรมากเถอะเมื่อมหาชนถือเอาผ้าอาพรและทรัพย์ตามความปรารถนาไปอยู่อย่างนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็มีพระประสงค์จะทอดพระเนตรประสาทของโชติกะเศรษฐีนั้นบ้าง เมื่อมหาชนมาอยู่เรื่อยๆก็ไม่ได้โอกาสสักทีหนึ่งแม้พระราชา ย, ยังต้องมาดูเลยแต่ว่าวันนี้คงไม่ได้ดูละเพราะว่าหมดเวลาก่อนนะก็ขอยุติเรื่องของมหาสจรัร์แห่งบุญแห่งพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนขอโนโมทนาขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้พึ่งบุญที่พระสมัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ดีแล้วมีทานศีลภาวนาเป็นต้นและขอให้ท่าน ได้บรรลุผลของบุญอันสูงสุดคือความสิน้นอาสวะกิเลสโดยพลันทุกท่านเทิน